ในโลกมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่แน่นอนนะเราไม่ได้ทำอะไรใครอยู่ๆก็โดนทำก็ได้นะถ้าพูดเรื่องกฎของกรรมก็คงมีกรรมแต่ปางก่อนกรรมแต่ปางก่อนจึงต้องเกิดในยุคที่สังคมเป็นแบบนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วในโลกไม่เคยสงบสุขหรอกสงบสุขก็ชั่วคราวแป๊บๆเทะนะ่านั้นเป็นช่วงๆเทะนะ่านั้นแล้วก็วุ่นวายขึ้นมาเสมอเสมอ อย่างใครเคยอ่านสามก๊กมั้งสามก๊กนะเริ่มต้นดีมากเลยนะบอกแผ่นดินจีนนะมีสุขเราก็มีศึกเห็นไ้มมีศึกเราก็มีสุ ข, ส ข, สขเริ่มต้นด้วยอะไรเริ่มต้นด้วยไตรักนะนะไม่เฉพาะแผ่นดินจีนหรอกแผ่นดินไทยก็เป็นแผ่นดินไหนไหนก็เป็นทั้งนั้นนี่เมื่อเรามาอยู่ในโลกยุคที่มันวุ่นวายอย่างนี้เราฝึกใจของเราให้ดีก็แล้วกัน เราฝึกใจของเราไว้อย่างน้อยที่สุดนะเราไม่ไปเพิ่มปัญหาให้กับสังคมอาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่นะเราเรียกร้องสันติภาพเรียกร้องให้คนสามาัคคีเรียกร้องให้มีเมตตาต่อกันมันเรียกร้องเปล่าๆไปมันไม่ค่อยได้ผลงั้นเรามาฝึกใจของเราให้มีสันติภาพดีกว่า เริ่มต้นเราไม่แก้คนอื่นไม่ไหวไม่แก้ตัวเองก่อนทำยังไงเราจะอยู่ในโลกที่เรวร้อนนี้โดยมีความทุกข์ให้น้อยที่สุดเกิดมาทั้งทีเรื่องอะไรจะต้องปล่อยให้ชีวิตจมอยู่กับความทุกข์นานๆธรรมะเนี่ยช่วยเราได้อย่างดีที่สุดเลยเพราะธรรมะ เ, เป็นเครื่องแก้ทุกข์ทางใจที่ชั ง, งัดที่สุดเลยทุกข์ทางใจเนี่ย ใครต่อใครก็หาทางแก้กันมาตลอดกนระทั่งสัตว์เดรัจฉานมันก็หาทางแก้ของมันนะมันหิวมันก็ไปหากินม า, านนบางทีมันก็ไปล่าสัตว์อย่างแมวนะเลี้ยงให้อิ่มแค่ไหนนะมันก็ยังมีความสุขที่จะไปล่าสัตว์รู้สึกมีความสุขงั้นสัตว์ทั้งหลายมันสแสวงหาความสุขกันทั้งนั้นนะสบายใจแต่สแสวงหาไปตามสติปัญญาสัตว์ชั้นต่าหน่อย มันก็มีความสุขนะมันได้เบียดเบียนเขาได้มันมีความสุขอนะไรเงี้ยคนเราก็พัฒนาขึ้นมานะมีความสุขนาน า, นานชนิดสัตว์ไม่ต้องดูหนังแต่คนต้องดูหนังสัตว์ไม่ต้องฟังเพลงนะมันร้องมันเอง ก, กี่ตัวกี่ตัวก็ร้องเหมือนกันหมดเลย น, ะนานๆจะมีตัวที่ร้องเพาะแปลกกว่าเพื่อนหน่อยก็ถูกเขาเอาไปขังแล้วสัตว์มันก็ หาความสุขของมันแบบง่ายๆหาอยู่หากินไปมีความสุขแล้วพอใจในชีวิตวันนี้ยังไม่โดนฆ่าตายไม่คิดมากสัตว์ไม่กังวลมากนะเท่าที่หลวงพ่อสังเกตดูนะอย่างพักพวกมันถูกกัดตายนะแป๊บเดียวมันก็หายตกใจแล้วมันก็ดำรงชีวิตของมันธรรมดาธรรมดาส่วนคนนะ่ะซับซ้อนกว่า น, นั้นห่วงอนาคตบ้างกังวลถึงอดีตบ้างอนะไรหาความทุกได้ลึกซึ้งกว่าสัตว์ แล้วก็พยายามหาความสุขที่เหนือกว่าสัตว์อีกมีการบริโภคกามกามก็คือหาความเพลิดเพลินพอใจในการดูรูปในการฟังเสียงในการดมกลิ่นในการลิ้มรสในการหาสิ่งมาสัมผัสร่างกายนี่หาความสุขอย่างนี้แต่ว่ามันความสุขมันไม่แน่นอน อย่างเราไปดูของสวยได้เรามีตาไปดูของสวยได้นะมันก็เห็นของไม่สวยได้มีหูนไปฟังเสียงเพลาะได้มันก็ฟังเสียงไม่ดีได้ฟังเสียงชมได้มันก็ฟังเสียงด่าได้มีลิ้นไปกินของอร่อยได้นะก็เจอของไม่อร่อยก็ได้มีกายไปกระทบสัมผัสสิ่งที่ดีก็อาจจะกระทบของไม่ดีก็ได้งั้นความสุขในกามนะมันยังไม่แน่นอนยังแปรปรวนอีก บางคนก็พัฒนาจิตใจขึ้นมารู้สึกว่าเออความสุขในการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยยังเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จริงก็มาหาความสุขทางจิตใจบางคนก็ใช้งานศิละปะงานอะไรเงี้ยทำงานศิละปะไปก็มีความสุขเพลินๆไปวันหนึ่งวันหนึ่งพระทําเยอะนะพระสมัยก่อนพระทํางานศิละปะเยอะเลยสร้างวัดสร้างอะไรต่ออะไรให้เป็นเครื่องอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่ง นี่มันมีวิธีการที่ประณีตขึ้นไปอีกนะประณีตขึ้นไปอีกคือการฝึกจิตของเรานะเราสามารถจะมีความสุขอยู่ได้ในทุกๆสถานการณนะ์สามารถมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์นะอะไรเกิดขึ้นจิตใจเราก็ยังดำรงสภาพคงที่อยู่ได้นะสเสถียรได้ในท่ามกลางความไม่สเสถียรนะสงอบอยู่ได้ในท่ามกลางความวุ่นวายนะ มีความสุขอยู่ได้นะท่ามกลางความเลาร้อนความทุกข์ยากลำเค็นทั้งหลายเต็มโลกนะแล้วมีความสุขอยู่ได้กระทั่งร่างกายเราเองนี้เจ็บป่วยนะร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่จิตใจก็ยังมีความสุขอยู่ได้ร่างกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยด้วยใจมีความสุขนะเวลาเราภาวนานะเราค่อยฝึกไปด้วยความสุขมันจะประนีตขึ้นประนีตขึ้นอย่าง ก, การภาวนา มันก็มีหลายระดับอันแรกเลยฝึกสมถะสมถะกรรมฐานมันก็นําความสุขมาให้เราเหมือนกันนะจิตใจที่ว้าวุ่นวุ่นวายทุรนทุรายหาความสุขไม่ได้เราก็น้อมใจไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขนะเช่นบางคนไปอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็มาอยู่กับลมหายใจบางคนไปอยู่กับพุทธโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุทธโธนะบางคนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขไปอยู่กับท้องพองยุบ เวลาจิตใจมันมีความสุขอยู่ในอารมณ์บดอันหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะไม่ฟุ้งซ่านไปสู่อารมณ์อื่นจิตใจที่มันตะครุบอารมณ์มัน้นทีตะครุบอารมณ์มนนี้ทีนะเพราะมันเที่ยวหาความสุขตะครุบอารมณ์เช่นตะครุบอารมณ์ทางตาไปดูหนังแล้วจะมีความสุขไปดูเสร็จแล้วก็อย่างนั้นนั้นแหละดูเสร็จแล้วหิวข้าวอีกแล้วต้องกินแล้วมีความสุขใช่ไหมไปดูหนังไปกินข้าวไปเที่ยวมาเหนื่อยแล้วต้องนอนแล้วถึงจะมีความสุขมันมีเงื่อนไขอยู่ตลอดเวลาเลยนะ จิตใจเที่ยวหาอารมณ์ที่จะคิดว่าจะนำความสุขมาให้แต่หาอารมณ์ไปในกาลนะทางตาทางหูทางจ ม, มูกทางลิ้นทางกายนะมันมีความสุขแป๊บๆนะเดี๋ยวมันก็ทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วมันไม่พอคนที่มีสติปัญญาแก่กล้าขึ้นนะเขาก็มีวิธีหาความสุขที่ประณีตขึ้นแทนที่จะต้องเที่ยวหาอารมณ์ร่อนเร่ไปเรื่อยนะก็มาอยู่ในอารมณ์ันเดียวที่มันมีความสุขโดยตัวของมันเอง ใครอยู่กับพุโทโธแล้วมีความสุขเราก็พุโทโธไปเรื่อยๆใครรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมหายใจไปนะใครจะเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เดินนะใครนั่งแล้วมีความสุขก็นั่งไปใครนอนแล้วมีความสุขให้นั่งนะออยกเว้นสักอันหนึ่งเถอะอิริยาบถนอนเพก็ตามสถิตินะคนบนรรลุธรรมในอิริยาบถนอนมีน้อยนะเราจะหวางฟลุกนอนนอนไปเรื่อยแล้วบรรลุยากยาก ท่านที่นอนแล้วบรรลุเน่ยส่วนใหญ่ท่านเดินมาก่อนเดินแล้วก็นั่งนะอย่างท่านพรนนนะนรนท่านภาวนาคืนสุดท้ายก่อนสังขยนาท่านจะต้องรีบเป็นพระอรหันต์ให้ได้ในพระัยพิดกบอกพระนรนยังราตรีให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากมีสติอยู่ในกายนะไม่ได้ดูจิตนะท่านดูกายเป็นส่วนมากนะเนี่ยรุ่นหลังๆเราบางทีเราเชื่อว่าขั้นสุดท้ายต้องดูจิต ในพระไตรปิฎกกขา บ, บอกคืนสุดท้ายของพระอนันตเนี่ยท่านมีสติอยู่กับกายเป็นส่วนมากนะจนกระทั่งใกล้สว่างนะท่านก็คิดว่าต้องต้องพักสันหน่อ ย, ลอยแล้วท่าอายุ80บแล้วแปดแล้วอดนอนทั้งคืนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องไปสังคยนาต้องเป็นคนตอบปัญหาต้องพักสันหน่อยนะในพระไตรปิฎ ก, กก็บอกว่าพระอนอนก็คิดว่าจะต้องพักนะท่านก็เอ็นกายลงนอน พระไตรปิฎกไม่ได้บอกว่าท่านเลิกปฏิบัติพวกเราชอบพูดเอาเองนะว่าพระนนภาวนามาทั้งคืนแล้วไม่สําเร็จเลยเลิกปฏิบัติพอลงนอนเลยบรรลุเลิกปฏิบัติไม่บรรลุหรอกนะพระไตรปิฎกไม่ได้บอกนะว่าพระนนเลิกปฏิบัติคือสติสมาธิปัญญาเนี่ยที่ฝึกมาจนแก่รอบ น, น, นี้มันเลิกไม่ได้มันเลิกไม่ได้ละอย่าว่าแต่ระดับพระนนในสมัยหลวงพ่อยังไม่บวชนะ มีอยู่ช่วงหนึ่งนะเราเห็นสภาวะเกิดดับในจิตเนี่ยไหวยับยับยั บ, ย, บ, ย, บ, ย, บยับยับนะเห็นอยู่อย่างนั้นนะกลางวันก็เห็นกลางคืนก็เห็นตื่นก็เห็นหลับก็เห็นเห็นอยู่างนั้นนะมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยวันหนึ่งบอกแกจิตนะโอ้เหนื่อยเต็มทีแล้ววันนี้อย่าดูนะวันนี้อย่าดูนะอุตษาบอกมันนะว่าอย่าอย่าเจริญสตินะมันไม่ยอมหรอกเนะนั่นขนาดเรากระจอกงอกน้อยนะเราฝึกสติมาเรื่อยๆนะให้มันเลิกดูมันยังไม่เลิกเลย งั้นพระนนท์นะอินทรีย์แก่กล้าเต็มที่แนละ้วงั้นท่านไม่เลิกปฏิบัติหรอกเพียงแต่ท่านเปลี่ยนอิริยาบถนะนั่งเดินอะไรอย่างนี้ทั้งคืนมาลนะ้ลงนอนแต่ว่ามีสติตลอดสายไม่ขาดสติแล้วสติสมาธิปัญญาต้องทํางานจนถึงขั้นอัตโนมัติไปหมดแล้วพระใจปิฎกบอกว่าศีรษะไม่ทันถึงหมอนเท้าไม่ทันพ้นจากพื้นนะก็กิเลสขาดไปแล้วนะ เห็นไหมใช้เวลาตัดแป๊บเดียวหลวงพ่ออ่านพระไตรปิฎกตรงนี้นะหลวงพ่อพยายามดูพระนอนอยู่ท่าไหนวะศรีรษะไม่ถึงหมอนเท้าไม่ถึงทีแรกเราก็คิดว่าพระนนท์นอนปูเสือ่อนอนที่พื้นทํำยังไงก็ไม่ได้นะทำไมนอนเสือ่อเท้าต้องพ้นจากพื้นก็พิลึก อ, อีกใช่ไหมอยู่ๆนอนชูขาได้ไงนะลองนอนอยู่ตั้งหลายท่านนะในสุดอ๋อท่านนอนเตียงแล้วเตียงท่านต้องไม่กว้างมากอะ ถ้าเตียงกว้างมากนะเท้าต้องพ่นพื้นก่อนใช่ไมค่ยค่อยกระเถิบเข้าไปนอนตรงกลางเตียงนี่เตียงแคบแคบนะเอ็งตัวลงนอนนะศีรษะไม่ทันถึงหมอนเท้าไม่ทันพ้นพื้นท่านตัดกิเลสขาดแนละ้วนะนี่เพราะท่านทำมาจนชำนาญ น, นะเราเลิกไม่ได้หรอกนะไม่งั้นมันเลิกไม่ได้นะมันอัตโนมัติไปหมดนะก่อนจะอัตโนมัติต้องฝึกฝึกตั้งแต่ยังไม่อัตโนมัตินี่แหละฝึกสติฝึกสมาธิฝึกเดินปัญญานะฝึกสามอย่างนี้ ฝึกสติสติเป็นเครื่องระลึกรู้นะระลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายระลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจต้องฝึกหัดรู้สภาวะไปเรื่อยเรื่ร่างกายเป็นสุขก็รู้ร่างกายเป็นทุกข์ก็รู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้นะร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายเหลวซ้ายแลกว่าร่างกายกินอาหารร่างกายขับถ่ายคอยรู้ไปเรื่อยบางคนบอกตอนขับถ่ายห้ามภาวนาไม่ได้ห้ามภาวนานะการภาวนาไม่มีเว้นวรรค ตอนขับถ่ายก็ต้องภาวนานะแต่อาจจะไม่ต้องสวดมนต์เวลาสวดมนต์นะเทวดาชอบมาสวดด้วยนะสงสารเทวดานะแต่ว่าไม่เลิกภาวนานะอาจจะไม่สวดมนต์ตอนนั้นไม่ต้องพุทโธก็ไดนะ้แต่รู้สึกตัวไปเห็นร่างกายขับถ่ายไปเนี่ยเนเะนี่ยร่างกายมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายนะสติทำหน้าที่รู้ไปด้วยมีอะไรเกิดขึ้นในใจสติทาหน้าที่รู้ไปด้วยนะ จิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจหดหู่จิตใจดีใจจิตใจเสียใจนะยินดียินร้ายอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้ไปด้วยการหัดรู้สภาวะจนชำนิชํานาญนี่แหละจะทําให้สติเกิดอัตโนมัตินะต่อไปไม่ได้เจตนาจะรู้มันเคยชินที่จะรู้มันก็รู้พวกเราขนาดนี้มันเคยชินที่จะหลงมันไม่ใช่เคยชินที่จะรู้รู้สึกไหม พออยู่ว่างๆต้องหลงเพราะงั้นสัตว์ในรชาญจะมีเยอะนะเพราะมีพวกมากมีแคนดิเดตเนี่ยเยอะมากเลยนะมีพวกเตรียมรอคิวนี่เยอะแยะเลยงั้นหัดรู้สึกตัวนะหัดรู้สึกไปเรื่อย ๆ, ๆนะต่อไปจิตเคยชินที่จะรู้มันจะรู้อัตโนมัติไม่ได้เจตนารู้ล้จะรู้ได้เองร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวปุ๊บรู้สึกเหลือแต่ตอนตื่นเลยกระทั่งตอนนอนหลับนะร่างกายพลิกซ้ายพลิกขวารู้ทั้งคืนเลย ใครตอนนอนหลับพลิกซ้ายพลิกขวารู้สึกตัวได้บ้างมีไหมโดยที่ไม่ได้ตื่นนะไม่ได้ตื่นนะร่างกายกลนคลอกๆนะเห็นมันพลิกไปพลิกมาได้นะนี่สติเราเร็วถึงขนาดนั้นนะแล้วอะไรเกิดขึ้นนะกระทั่งตอนนอนหลับนะฝันไม่ดีปุ๊บสติเราลึกขาดสะบั้นเลยนะถ้าคนไหนฝึกได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ปิดอบายได้ชาติหนึ่งนะชาติเดียวนะชาติเดียวพวกนี้จะได้สัมมาสนญญาณ น, นะ สมัสนญญาณพวกที่ได้สมัสนญญาณในคำภีเรียกว่าจุลโสดาจุลโสดาบันไม่ใช่พระโสดาบันเป็นะจุลโสดาบันเสื่อมได้ไหมเสื่อมได้แต่สตินี่เร็วนะอะไรเกิดขึ้นในจิตนะรู้ไวเลยกระทั่งนอนหลับนะก็ยังไวนะรู้ได้เงืนนิมิตไม่ดีเกิดเมื่อไหร่รู้ทันปั๊บขาดสะบั้นเลยไม่ลงอบายแล้วนะแต่อย่าเสียงนะ อย่าเสียงเราทต้องภาวนาเราไม่ใช่ดีใจแล้วฝันก็รู้เรื่องอะไรเนี่ยเสร็จสิมันไม่ได้รู้ได้ทุกวันบางวันมันเกิดไม่รู้ขึ้นมาจะทํำยังไงใช่ไมงั้นต้องฝึกนะงั้นหัดมีสติหัดตามรู้ความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงในร่างกายหัดตามรู้ความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงในจิตบ่อยๆก็ไปสติเกิดเองนะแล้วก็มาหัดให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจของเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจเราล่องลอยทั้งวัน หลงไปตลอดเวลารู้สึกไหมวันหนึ่งหลงเยอะแยะเลยคนที่ไม่ภาวนานะหลงวละครั้งหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับนะคนที่หัดภาวนาจะยิ่งภาวนาเก่งจะหลงบ่อยแต่หลงสั้นๆไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะเผลอไปเมื่อไหร่ก็รู้สึกอย่างรวดเร็วเลยทยํายังไงจิตจะตั้งมั่นจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวได้มีวิธีฝึกอันแรกฝึกสมถนะฝึกสมถะไปนะ พุทโธพุทโธไปก็ได้หายใจไปก็ได้แล้วค่อยรู้ทันจิตไว้ะพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยนี่เป็นสมถะแบบง่ายๆนะแบบง่ายๆที่พวกเราพอจะทําได้เพราะฉั้นเราหัดพุทโธไปหัดหายใจไปพอจิตเราเคลื่อนไหวเรารู้ทันจิตเคลื่อนไหวรู้ทันในสุดจิตจะสงบจิตจะตั้งมั่นไม่หนีไปแล้วเพราะหนีไปทีไรถูกรู้ทุกทีจิตเนี่ยเหมือนเด็กสนสติเหมือนพ่อแม่นะ พอเด็กจะหนีออกจากบ้านพ่อแม่หันมาดูนะเด็กมันกลับมาไม่กล้าไปเที่ยวนี่สติก็เหมือนกันมันคอยดูดูจิตใจอยู่จิตใจจะหนีไปคิดนะสติรู้ทันสติรู้ทันไปเรื่อยจิตใจก็ไม่หนีไปจิตใจก็สงบจิตใจก็ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวได้นี่ก็วิธีหนึ่งนะไม่ยากอันนี้ง่ายๆใครๆก็ทาได้นะเราะั้นพวกเราทั้งหลายนะ่าลองดูหายใจเข้าหรือพุโทโธเข้าก็ได้นะ แล้วก็คอยรู้ทันจิตไปพาจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้ในที่สุดจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาอันนี้เป็นวิธีทำสมถะที่ง่ายที่สุดละนะง่ายที่สุดละสมถะอีชนิดหนึ่งเป็นสมถะเต็มรูปแบบนั้นทำยากแล้วนะในยุคนี้ที่มาเรียนกับหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นอยู่ไม่กี่คนนะนะมีไม่มากที่ทำสมถะเต็มรูปแบบได้นะเห็นมีทุนดาเกิงมีอาจารย์วิชามีอะไรพวกนี้นะ อาจารย์วิชานี้ลูกศิษย์อาจารย์วิริยังนะก็เล่นอานาปนาสติคุณดาเกิงนี่ลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณนอท่านก็เล่นอานาปนาสติเหมือนกันนะพวกนี้เขาฝึกสมาธิต้องฝึกกันทุกวันนะหายใจไปนะหายใจไปหายใจหัดใหม่ๆก็จะไปรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเนี่ยเขาเรียกว่าบริกรรมนิมิตไปรู้ลมหายใจไม่เอาสติไปที่อื่นเลยมีสติอยู่กับลม แต่ว่าไม่เผลอตัวนะไม่เคลิมไม่ลืมตัวรู้สึกตัวอยู่แล้วก็เห็นร่างกายนี้หายใจใจเป็นคนดูอยู่เห็นลมเนี่ยเอาลมหายใจนี่เป็นอารมณ์หายใจไปหายใจไปนะทีแรกลมมันจะยาวนะหายใจเป็นธรรมชาติเนี่ยเราจะหายใจยาวหายใจลึกนะหายใจไปถึงท้องเลยนี่พอเราหายใจไปเรื่อยใจเริ่มสงบเนี่ยลมหายใจจะสั้นสั้นๆๆจะขึ้นมาอยู่ที่ปลายจมูกนี้หน่อยเดียว เพราะลมมันละเอียดลมมันสั้นนะค่อยๆละเอียดละเอียดนะใจเนี้มันจะโล่งว่างมันจะสว่างจะรู้สึกสว่างนะทำไมรู้สึกสว่างนะเวลาคนนั่งสมาธินะเลือดจะมาเลี้ยงสมองส่วนหน้าเนี่ยเยอะถ้าคนฟุ้งซ่านนะเลื่อนไปเลี้ยงที่อื่นไปเลี้ยงมือเลี้ยงเทา้าเลี้ยงปากนะแต่พอจิตเริ่มสงบนะเลือดมันมาอยู่ที่ตรงนี้เยอะนะจะให้ความรู้สึกว่าสว่างสบายนะ แต่ไม่ใช่ว่าสว่างขึ้นมาเพราะเลือดมาอยู่ที่หัวหรอกนะอันนี้สําหรับมนุษย์นะเทวดาเนี่ยเขาไม่มีเลือดเนี่ยเขานั่งสมาธิเขาก็สว่างได้เหมือนกันะจิตมันสงบมันจะสว่างขึ้นมานี่สว่างทีแรกที่สว่างอยู่ตรงนี้เป็นดวงขึ้นมาให้เราดูดวงสว่างเนี้แทนลมหายใจเพราะลมหายใจสั้นจนลมหายใจหยุดไปแล้วนั้นสว่างขึ้นมาใช้แสงสว่างตัวนี้แทนลมหายใจตัวนี้เรียกว่าอุคหานิมิต นะไม่ใช่บริกรรมนิมิตนะตัวลมเป็นแค่บริกรรมนิมิตนะมันเป็นความสว่างเกิดขึ้นเป็นอุคหานิมิตใช้ความสว่างนี้เป็นอารมณ์กรรมาฐานนะหายใจไปเรื่อยมันไม่รู้สึกว่าหายใจเท่าไหร่มันเหมือนหายใจทางผิวหนังนะแต่จะมันสว่างรู้ในความส ว, านะว่างเมื่อใหญ่ๆๆได้นะถ้ฝึกชำนาญถ้าไม่ชำนาญก็จะถลําลงไปในแสงแล้วก็เลอไปเลยเคลิ้มๆไปนะถ้าชำนาญมันจะรู้สึกขยับได้นะ ใหญ่แค่ไหนก็ได้ให้เต็มโลกก็ได้นะจิตใจก็เริ่มมีปีติมีความสุขมีอะไรขึ้นมานี่ได้สมาธินะพอมีสมาธิขึ้นมาแล้วนะก็ยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะจิตมันยังตึกมันยังตรองถึงดวงสว่างนี้อยู่นะเรียกว่ามีวิตกมีวิจาร์อยู่จิตยังไม่ละเอียดจริงนะเนี่ยเราเฝ้ารู้ไปเรื่อยไปนะจิตมันสงบขึ้นมาเนี่ยมันทิ้งการตรึกการตรองในตัวนิมิตแหะไม่เอานิมิตนะมันกลับมารู้ที่จิตได้ จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นตัวผู้รู้ขึ้นมาพอจิตมันตั้งมั่นเป็นตัวผู้รู้แล้วเนี่ยมันจะเห็นว่ามันมีความสุขเกิดขึ้นมันมีความสุขอยู่แล้วแหละแต่ทีแรกมันมือวามันไม่ดูความสุขนะมันมัวแต่ไปดูนิมิตจิตมันเปลี่ยนจากการรู้นิมิตนะมาดูความสุขแทนความสุขก็จะดับให้ดูนะเป็นอุเบกขาขึ้นมาะมีปิติมีสุขมีเป็นอุเบกขาสุดท้ายจิตเป็นอุเบกขาแล้วทรงตัวเป็นผู้รู้อยู่นะบางทีร่างกายหายไปเลยไม่มีร่างกายแล้วนะ นี่พอออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยจิตที่ฝึกมาจนมีตัวผู้รู้นะตัวผู้รู้นี้ยังทรงอยู่ได้บางคนทรงอยู่ได้นานเลยถ้าสมาธิทำมานานนะทำมาประณีตลึกซึ้งเนี่ยตัวผู้รู้ทรงอยู่นานพอตัวผู้รู้ทรงอยู่นานเนี่ยดูจิตไม่ได้นะอย่าไปดูจิตนะเวลามันทรงตัวผู้รู้อยู่จะไม่มีอะไรให้ดูมันจะว่างๆให้ดูกายไวนะ้เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะใจเป็นคนดูมันดูได้ทั้งวันเลยเคราวนี้ จะเห็นเหมือนคนอื่นเคลื่อนไหวตลอดวันตลอดเวลาจะรู้สึกอย่างนี้จันเหน่งรู้สึกไหมมันจะรู้สึกเหมือนเห็นคนอื่นทั้งวันนะปัญญามันเริ่มเกิดนะจิตมีสมาธิเป็นผู้รู้ผู้ดูนะแล้วร่างกายเคลื่อนไหวสติรู้ทันความเคลื่อนไหวของกายด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะปัญญาจะเกิดจะเห็นทันทีว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะเพราะนั้นปัญญาเกิดได้ด้วยสองเหตุผลนะอันหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอั น, นที่สองมีสติระลึกรู้ลงไป ที่กายก็จะเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราสติระลึกรู้ในเวทนาก็เห็นเวทนาไม่ใช่เราสติระลึกรู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลนะก็จะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราสติระลึกรู้เป็นตัวผู้รู้อยู่ถ้าประคองไว้มากนะเหมือนตัวผู้รู้เด่นดวงอย่างนี้จะเห็นว่าทุกอย่างในโลกธาตุนี้ไม่เที่ยงยกเว้นผู้รู้พวกนี้ยังเดินต่อไม่ได้จริงนะยังยิตตัวผู้รู้อยู่จะเห็นตัวผู้รู้เที่ยง หลวงปู่ล่าปูเจ้าก็เคยสอนนะว่าใครเห็นผู้รู้เที่ยงอย่างเป็นวิชฉาทิฏฐิอยู่นั่นเราตัวผู้รู้เราก็ไม่ประคองไว้มีตัวผู้รู้ก ok see, well, us, culture, so ็ส so an ักแต่ว่าอาศัยไปรู้กายรู้เวทนารู้สังขารรู้อะไรไปแต่เราไม่ประคองตัวผู้รู้ถ้าเราไม่ประคองตัวผู้รู้เราจะพบปรากฏการณ์อันนึงว่าตัวผู้รู้ก็ไม่เที่ยงตัวผู้รู้เองเดี๋ยวก็เป็นตัวผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นตัวผู้คิดตัวผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นตัวผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นตัวผู้หลง เดี๋ยวก็เป็นตัวผู้รู้เดี๋ยวเป็นตัวผู้เพ่งนะนี่มีความแปรปรวนตัวผู้รู้เองไม่คงที่ในที่สุดนี่นจะเห็นเลยขันทั้งหมดเลยนะกระทั่งตัวจิตเองเกิดดับตลอดไม่มีตัวไหนคงที่เลยแต่การที่เราจะรู้ขันทั้งหลายแล้วเห็นความเกิดดับได้จิตต้องตั้งมั่นนะจิตต้องตั้งมั่นจิตต้องเป็นกลางถ้าจิตถลําลงไปในอารมณ์จะไม่เห็นหรอกปัญญาจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นจิตจะต้องตั้งมั่น นะบางคนถึงบอกว่าต้องทำสมาธิก่อนอันนี้ก็ถูกเหมือนกันแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซนตะ์ไม่ใช่ทุกคนต้องทำสมาธิในรูปแบบก่อนบางคนทำไม่ได้บางคนไม่มีวันทำได้นะเพราะนั้นบางคนต้องใช้ปัญญาก่อนใช้ปัญญานำสมาธิบางคนที่ทำสมาธิได้ก็ใช้สมาธินำปัญญาคนที่เชี่ยวชาญทั้งสมาธิแล้วเชี่ยวชาญในการดูจิตนะจะใช้สมาธิและปัญญาควบกันได้ฉะนั้นมันมี3ามแบบนะการปฏิบัติเนี่ย พวนึงใช้ปัญญานำสมาธิอย่างพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยให้เข้าฌานเข้าไม่ได้นะแล้วทําไงดีเข้าฌานไม่ได้นะหัดง่ายๆที่ว่าอย่างที่แรกนั้นหัดดูจิตนะพุโทโธพุโทโธไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันไม่ได้ฝึกไม่ให้จิตหนีแต่จิตหนีไปคิดเรารู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นแต่ตั้งชั่วขณะเรียกว่ามีคณิกะสมาธิแค่คณิกะสมาธินี่ใช้เดินปัญญาได้ละ จิตมันตั้งขึ้นมาเป็นขณนะขณะนะถ้าไปสติมันเลยระลึกรู้กายจิตยังตั้งอยู่ได้นะมันระลึกอยู่โดยจิตตั้งอยู่แวบเดียวเนี่ยมันเห็นเลยกายนี้ไม่ใช่เราเหมือนที่พวกเราหลายคนอาบน้ํามีมาเล่าเรื่อยๆนะกอนนี้อาบน้ําถูสบู่ถูไปถูไปรู้สึกแวบขึ้นมาไอ้นี่ไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นท่อนๆ อ, อะไรท่อนหนึ่งนะเนี่ยจิตมันตั้งชั่วขณะนะนเห็นอย่างนั้นถ้าตั้งแบบแบบมีตัวผู้รู้ผ่านการทําฌานมามนจะเห็นทั้งวันนะที่ยืนเดินนั่งนอนตลอดวันนี้ไม่มีเรา นะแต่พวกคณิกาสมาธิมันก็ได้เห็นช่วงเวลาที่มีสมาธิช่วงขณะช่วงขณะเห็นแวบหนึ่งไม่มีเราไม่มีเราเห็นบ่อยๆนะค่อยฝึกไปต่อไปเห็นบ่อยๆบ่อยๆเพื่อนสุดท้ายจิตก็ยอมรับความจริงว่าไม่มีเราได้เหมือนกันนะงั้นไม่ต้องกังวล น, นะไม่ใช่ทุกคนต้องเข้าฌานให้ได้นะถ้าทุกคนต้องเข้าฌานให้ได้นะคนสมัยพุทธกาลเขาก็ภาวนาไม่ได้มีสถิตินะคนที่บอกสถิตินี้คือพระพุทธเจ้า วันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกกับพระสาวกบอกภิกษุทั้งหลายในบรรดาพระอรหันต์500องค์สมัยพุทธกาลนี่ชอบเลข500มากเลยในพระอรหันต์ห้าร้อยองค์เนี่ยมีพระอรหันต์ที่ได้วิชาสามเนี่ยหกองค์คนได้วิชาสามต้องได้สมาธินะมีพระอรหันต์ที่ได้อภิญญาหอีก60องค์รวมเป็นร้อแล้วนะพวกอภิญญานี้ก็ต้องเล่นสมาธิเชี่ยวชาญยิ่งกว่าพวกวิชาสามอีกนะ ในพวกนี้นะมีทั้งสมาธิและปัญญาอีก60องค์เพราะนั้นได้สมาธิด้วยได้ปัญญาด้วยอีก60องค์รวมเป็นร8อยจาก500พวกที่เหลือคือคนอย่างพวกเหล่านี้เองพวกที่ทำสมาธิไม่ได้จริงนะคนธรรมดาธรรมดานี่เองนะพวกสุ ข, ขาวิปัสสะนะพวกที่เดินอาศัยปัญญาเป็นหลักนะมีสมาธิเป็นตัวประกอบ แต่ว่าไม่ใช่พวกที่เดินด้วยปัญญาไม่มีสมาธินะต้องมีสมาธิแต่ว่ามีสมาธิเป็นขณะขณะนะใจไหลไปแล้วรู้ใจไหลไปรู้ซ้อมทุกวันนะทำในรูปแบบเข้าแล้วซ้อมดนะูทุกวันต้องทําในรูปแบบนะพวกเราพวกเราไม่ใช่พวกทรงชนันงั้นพวกเราถ้าไม่ซ้อมทุกวันนะวันไหนไม่ซ้อมอีกวันหนึ่งไม่มีแรงแล้วแรงของเรามีน้อยมากเลยคล้ายๆคนยากคนจนนะเติมน้ํามันทีหนึงห้บบาทอะไรเงี้ยวิ่งได้นิดเดียวแหละ นะออไม่ใช่เติมทีละพันกว่าแล้ววิ่งไปทั้งวันเราะฉั้นเราต้องเติมน้ํามันบ่อยๆเห็นไหมเพราะเราน้ํามันเราน้อยอ่ะเพราะฉะนั้นทุกวันนะทำในรูปแบบวิธีทําในรูปแบบไหว้พระสวดมนตนะ์ไปนะไหวพระสวดมนต์ไปจิตใจหนีไปเรารู้ทันจิตใจหนีไปรู้ทันนะไหว้พระเสร็จแล้วจะพบว่ากว่าจะสวดมนต์จบเนี่ยห น, นีไปเกือบร้อยครั้งแล้วนะหนีแวบแวบแวบแ ว, แวตลอดเลย สวดจบแล้วมานั่งดูจิตดูใจหรือมาเดินจงกรมทําในรูปแบบนะหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวใจหนีไปคิดเรารู้ทันหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวใจไปเพ่งกลมหายใจไปเพ่งท้องแล้วรู้ทันนะหรือพุทโธพุทโธไปพุทโธไปรู้สึกตัวไปพุทโธไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธแล้วจิตไปเพ่งคำว่าพุทโธเพ่งจิตเฉยเฉยจนจิตนิ่งทื่อๆขึ้นมาก็รู้ทันพุทโธแล้วจิตเป็นยังไงก็รู้ว่าจิตเป็นงั้นนะ คนไหนถนัดดูท้องฟองยุบก็ดูไปไม่ได้ผิดเหมือนกันหมดเท่าเทียมกันหมดเลยนะกรรมาฐานทั้งหลายเนี่ยอย่าดูถูกคนอื่นเขาว่าของคนอื่นเขาไม่ดีของเราเท่านั้นที่ดีมันดีสําหรับเรามันไม่ได้ดีสําหรับคนอื่นเสมอไปนะงั้นเราดูท้องฟองยุบไปนะจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้จิตนี้ไปคิดก็รู้เหมือนกันเห็นไหมใช้หลักเดียวกันขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้ขยับไปแล้วรู้สึกตัวจิตหนีไปก็รู้จิตไปเพ่งใส่มือก็รู้นะรู้ทันจิตไปเรื่อย ในสุดจิตขยับนิดเดียวเราเห็นจิตขยับเราเห็นจิตจะเริ่มสงบจิตจะเริ่มตั้งมั่นขึ้นมาได้สมาธิเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นดูจิตเนี่ยระวังให้ดีนะบางบางคนนึกว่าดูจิตแล้วจะเป็นปัญญาไม่เป็นหรอกดูจิตแล้วได้สมาธินะเดินปัญญาต้องทําอีกอย่างหนึ่งเดินปัญญาต้องแยกธาตุแยกขันธ์นะถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ดูกายก็ยเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะดูไปเรื่อยกายนี่ประกอบด้วยก้อนธาตุอีกธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟนะ ถ้าดูจิตก็แยกขันต่อไปอีกเวทนาก็ส่วนหนึ่งนะจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งนี่ต้องแยกขันนะอย่ามัวแต่หลงตามดูเวทนาจนลืมจิตนะเช่นความสุขเกิดขึ้นมัวแต่ดูความสุขลืมจิตแล้วจิตมีราคะพอใจในความสุขแล้วไม่เห็นนี่เรียกว่าดูจิตไม่เป็นนะภาวนาไม่ถึงจิตถึงใจใช้ไม่ได้เงื่นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาไม่ใช่จิตแยกไปเลยเวทนาไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่แปลปลอมมาแล้วก็ไปจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะ แต่ไม่ประคองตัวผู้รู้ผู้ดูนะต้องระวังนะอย่าปกครองนะอย่ารักษานะมันมีอยู่ก็มีมันหายไปก็หายถ้ารักษาอยู่จะเป็นสมถะอีกชนิดหนึ่งเป็นอรูปฌานนะทางผิดนี่เต็มไปหมดเลยนะแยกขันต์ต่อไปอีกเวทนาอย่าแยกแล้วนะทุกขทุกข์เกิดขึ้นทางใจเรารู้ทันใจเป็นคนดูนะกุศลอกุศลนี่เป็สนสนังขารขันต์กุศลอกุศลเกิดขึ้นกุศลอกุศลไม่ใช่จิตความโกรธไม่ใช่จิตความโลภไม่ใช่จิตนะศรัทธาวิริยะ สติอะไรพวกนี้ไม่ใช่จิตทั้งนั้นเลยนะเป็นจิตเป็นธรรมชาติรู้เท่านั้นแต่องค์ทำแต่และอย่างแต่และอย่างมันแยกออกไปมีหน้าที่ของตัวเองมีลักษณะเฉพาะของตัวเองเช่นปีติก็มีลักษณะของปีติความโกรธก็มีลักษณะเฉพาะของความโกรธนะเราดูไปนะั้นเราไม่ถล่มตามสังขารความปรุงแต่งทั้งหลายไม่ใช่ความโกรธเกิดขึ้นไปดูความโกรธความโกรธหดลงไปอยู่ข้างในตามลึกลงไปข้างในอย่างนี้ไม่ถูกหรือว่าความปรุงแต่งไหวๆอยู่ตรงนี้ ไปดูมันนะมันเคลื่อนไปอยู่ข้างหน้าเราก็ส่งจิตตามไปอยู่ข้างหน้าพอมันดับไปปุ๊บเรากลับบ้านไม่เป็นแล้วใจโล่งว่างอยู่ข้างหน้าไอ้ น, นี่ก็ผิดอีกนะประคองตัวผู้รู้ไว้ก็ผิดนะจิตไหลออกไปก็ผิดดูสิทางผิดเต็มไปหมดเลยประคองจิตเอาไว้รักษาจิตเอาไว้เนี่ยสุดตรงในข้างบังคับนะจิตไหลออกไปจิตหลงออกไปจิตไม่ตั้งมั่นในการดูสุดโตรงในข้างหลงตามกิเลสนะ งนั้นตรงกลางเนี่ยรู้ด้วยความเป็นกลางนะไม่ได้ประคองรักษาจิตแต่รู้ทันจิตนะไม่รักษาจิตนะแต่รู้ทันจิตเพราะฉะนั้นราคะเกิดขึ้นจิตยินดีพอใจรู้ทันนะหรือจิตเกลียดกิเลสเห็นกิเลสแล้วเกลียดมันขึ้นมารู้ว่าเกลียดนะความสุขเกิดขึ้นจิตยินดีรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นจิตยินร้ายรู้ทันรู้ทันกับพขมาที่จิตเนี่ยจิตมันยินดีจิตมันยินร้ายอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าดูจิตนะ จะไม่ใช่เพ่งจิตให้นิ่งเพ่งจิตให้นิ่งไม่เรียกว่าดูจิตแต่ดูกิเลสเนี่ยไม่ใช่ดูจิตกิเลสมันไม่ใช่จิตความสุขความทุกข์มันไม่ใช่จิตเราอาศัยการแยกขันธ์นะแยกเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยแยกสังขารที่เป็นกุศลอกุศลแยกออกไปจิตเป็นคนดูเมื่อจิตไปรู้เวทนาจิตไปรู้สังขารแล้วจิตเกิดปฏิกิริยายินดียินร้ายอะไรขึ้นมารู้ทันอย่างนี้เรียกว่ารู้ทันจิตถ้าประคองอยู่อย่างนี้จะไม่มียินดียินร้ายเกิดขึ้นจะรู้สึกกูเก่งด้วยซ้ำไป การประคองจิตทําเป็นการทําอรูปประชันนะการทําอรูปประชันเป็นความปรุงแต่งที่เรียกว่าอาเนนชาพ่สังขารรากเงาของมันคืออวิชาเช่นเดียวกับความปรุงแต่งฝ่ายชั่วทั้งหลายหรือความปรุงแต่งฝ่ายดีนั่นเองนะความปรุงแต่งทุกชนิดนะรากเงาอันเดียวกันคืออวิชาเรียนแค่นี้พอละ ว, วันนี้นะเรียนถึงชื่อของอวิชายังไม่ถึงสู้กับอวิชาหรอกนะตอนนี้สู้กับลูกน้องอวิชานะความเห็นผิดว่ามีตัวเรา ลูกน้องอวิชาตัวนี้ชื่อสักกายทิฐิสู้ตัวนี้ก่อนอย่าเพิ่งสู้อวิชานะสู้อวิชาคือชกมวยข้ามรุ่นนะไม่มีวันชนะหรอกนะเพราะฉะนั้นเราคอยรู้ลงในกายนะครยรู้ลงในใจรู้ได้ใจที่ตั้งมั่นรู้ได้ใจที่รู้เนื้อรู้ตัวนะเห็นสภาวะทั้งหลไหลามาไหลไปใจเป็นคนดูไนะหลามาไหลายไปแล้วจิตยินดีรู้ทันจิตยินร้ายรู้ทันนะนี่ฝึกอย่างนี้เรื่อยไปนะอวันนี้เชิญไปทานข้าว นิมนต์ท่านอาจารย์ครับนิมนต์